แสดงเดี๋ยวคุณทำคดีไปด้วยถ้าไม่สะดวกความเพียรงานหนีไันจะม่ท่านจะไม่ว่างโอ้บ่คอยกลับไปสบายงงนั่งทำงากับควายทำงานแล้วไปแต่แล้วมาถอยไม่ถอยที่จะไปเพราะไม่สะดวกเดินซิเดินไมาเดินกลับมา กหรขึ้นมาโด่รวมแตว่าดก็เดินดับมันเดินเขาดั บ, ด บ, ด บ, ด บ, ดบนงที่เราลงมือฝเสร็จแล้วก็ลงมาไม่นั้นแหล่พระน้องคูไม่กี่คนตลกดเข้ามาท้งอาเภอวาดีิษฐคูแต่คนามหนา่นสบาออกจากอำเภอออกจากบ้าน ถุงเื้าถุงเชื่อะไสิบ น, น, นเขาเนี่ยนลงมาทา้าวอีกถึบ่ายนะนนทองทองว่านี้คือนี่มีเีาะเต่าเทนาจนี้เดือนแปดขึ้นแปดขั้นถึง ข, ขับรนังุือจะมันสาวตนี้เพราะวันสห้าขมวันเปวัน รวมไปหนุนไปผ้าสี่องค์ลนะงตายสามสี่องค์พอเราไปวันแปดท่านไถึงวันที่สี่หน้าทั้้าทังผีหกองกยลยทีเดวทั้งหมดทางพานาเนี่ยเขาไปขาเจ้าแล้วเขาไปนั่นหหงหลังไหลเต็มนี่น้องมาพุทธมาในบ้าษาลหน้าหนังเต็ม นั่นก็แปลกระหนคือความรู้นี่พูดไม่ถูกนะขเขาเปิดกระเป๋ายาที่เป็นทางโ น, นงง้นมันมันมันโดนในสหนักถ้าเป็นที่พูดแบบรูเราพูดแบบแไม่มีกติกาแล้วมันไม่ไม่เผยนี่มันถ้าดูดอย่างนั้นก็พูดออกมาอย่างนั้นถามเข า, เขาก็บอกอกลางๆเขาบอกเข้ามาหาจังหน้ายาเพราะว่าเขาเป็นกรรมการแพทย์มา ที่โรงพยาบาลนครปนมห้องแปดนู่นะมันไม่ดื่มนะท่านไปนั่งไม่ดื่มท่านเป็นกรรมการแพทยนที่ที่สกลนั่งี่นควานมปรงพาบาโรงพยาบาลห้องแปดระหวางมาหถามเขามาตอนมาอะไรัดตาแล้วเราขึ้นมานั่งถามแบบที่สลายบอกเขามาจำหน่าย า, ยาเขาไม่ได้บอกว่ามียาถ่ายายาถอยอะไรเขาเอามาจำหน่ยยาโรงพาบ น, น้น เปา๋ากขาใหญ่เปาขายยาได้สี่ใหญ่ เ, เปิดแล้มีกวดนกลม่น ม, มองไปพอมองกลุ่ยาวนนั้นโอ้โหมันชาอะไรนะปังเขาเนี่เลยนะเหมืนจะไปคั่วอาคาดกันกระจากคนนั้นจริงๆนงที่เป็นครัวอาคาดไม่ถึงตายแต่้นอาคารนั้นโอนก็นนไม่รู้เรื่องเลยสมมติเป็นป็จี้อยู่ เปิดปันเยเปิดกับอ๋อผึ่งเล ย, เออเลยโอ้ไม่ได้ยากนนังง้นใครยิ้มตายม่นไม่ได้นอะนหรือย้ออกอะไรแล้วเน่เขามันหน้าเสียหมดก็ไม่ทราบขวดไหนหรือไม่ทรามียาถ่ายอยู่ด้ีเขาบอกขนาด ย, ย้ายเสยเขาพูดกักนตายแต่เวลาเขเปวดมันนีมองให้ยาปวดมันสะดวกผึ่งเลยจ น, นขนาดที่ว่ารั้งมาอยู่กันนี่ก็ออกพางกันเล พวกยาคนนั้นเคยยินไปแล้วตายแลนะหวานจนเขาหน้าสุดเ่ยนี่เขาก็เขาถามมาควไหนเขาก็จัดนะจัดเออขนนี้แหละนนี่ละระวังยาอะไรกันระวังนั่าถ่านพวไม่เป็นรนะครับพกผมมียาห้าหวานนี่แหละถ่ายฉันถทายแล้วจะหยุด เมื่อไรก็ฉันจะห้ามไปไม่ไปหยุ ด, ดนะเพราะว่างั้นก็กเหมือนเขาก่บอบเลยนะ น, นี่มันเคยตายใจนะแล้วเขาออกมาเอายาคนนั้นออกมาหเทศพรออนเสียวท่วอนเสียพอดีพอดีให้ฉันทุโองูเนี้ยขึ้นไปฉันแล้วตอนสองทุ่ผมจะเอายาห้ามออกมาถวายเพราะว่างั้นนะแล้วเท่านั้นก็หมูเ่เพื่อนนะ้แล้วก็ฉัน อมูเขากรอบเลยแล้วเนะี่ยหมูเพื่อนถ่ายคนนักเจ็ดหนุนแปดหุนเราฟาดไปที่ยห้าหนอาเกียนสองหุนเป็นยี่สิบหนึ่งถึงสว่าง18บแปดหุนจากสว่างไปไปเก้าหุ่นเอยมันตึก็งแปดกับเจ็ดเป็นยห้ายี่ห้าอีกเจ็ดหุน อาเคียนสองอาเจียนเราจะเห็นอย่างแรงๆเลยนะคือมันพุ่งไปจนติดฝานะคนหมดกําลังขนาดนั้นอํำ น, นาจของความอาเคียนในตอนนั้นดึงแรงพุ่งไปถึงติดฝาดนนั่นหละตอนนั้นจะตอนนั้นจะฉลุกไปตอนนั้นอาเคียนเต็มที่แล้วก่อนลงอ่อนลงอ่อนลงความรุ่นอดเข้ามาในตอนนั้นหลังจาก เกี่ยนบุดเท่านั้นเองอ่อนลงอ่อนลงเรารู้ทีละอย่างตรงนั้นหดเข้าไปหมดเลยอยาอย่าห้ามมาันชั้เฉยมันมีแต่ชื่อไม่ได้ห้ามว่างเลยหมดเลยโลกเดี๋ยวนี้มันแตกร้า โรคตนี้เป็นโรคตายง่ายง่ายที่สุดเรารุ้นในตัวเราเอางแต่ว่าไม่ลําบากกับใครนขอ่แต่ปกติเรายังไม่จะไม่ให้ลําบากกับใครเราไม่ต้องการความวุ่งวายแม้แต่หมอเรายังไม่ให้เขามาเร่งเราเลยลวันเราเป็นหมองเราเองจนไม่จนหมอมาให้ดูยิ่งจะมา อะไรเสร็จก็ขยันไปโยงระย่างเต็มไปหมดไม่จํา็หรือไม่ได้ไม่มันไม่อยู่ก็มันไปเราไม่เคยไม่ดธรรมดาอยู่ไปทำไมเราเคยอยู่มาอยู่ปีเดือนแล้วมันมีผลขนาดไหนเหวี่ยงลงท่านางเรื่องจิตใจมันก็อยู่ไปทําไมเมื่อมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปอย่าหาอะไรมายุ่งตายกับอยู่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเลยเนี่ยความรู้มันเดืนยันกันอยู่ มันยันกันอาเต็นที่เต็มร้าเปอรเนด้วยไปก็อยู่ไม่เห็นมีอะไรเกีกันเนี่ยอยู่ก็คือธาตุขันนี้ก็คือจิตตรงนี้เนี่ยไปก็คือธาตุขันอนี้สลายไปสู่ธาตุเดิมทันั้นจิตก็คืออนนี้นี่นันไม่เคลื่อนไปอื่นไปพอที่จะคิตกจรงควนต้องควนีเวลาเรียนมันถึงความจริงแลมันเป็นนั่นจริงมันไม่โ้คดีทัน่ังตายนีหันมันก็ไม่หานนะ ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวแต่มันจริงเนี่ยมันอยู่ตรงจริงนะเชื่อความจริงจิตก็เป็นความจริงด้วยไม่เพียงแต่เชื่อเฉยๆจก็เป็นความจริงตัวเต็มส่วนทุกสิ่งทุกอยากนะ่างต่างอันต่างจร น, นะไม่ได้จะไปกระทบกระเทือมาเรานาอด น, อนันที่ียเ วิจารนั่งหมู่กับเ่อนทำอะไม่จิงไม่จำใช่อย่างที่เราบอกแล้วนี้ผมมามาคิดเหมือนันพ่อชี้ถึงนิสายขอผู้มาอบรมก่อนบอกอะไรแล้วไม่แล้วต้องได้บอกแล้วคนนั้นต้องบอกนี่บอกคนเดียวน่าจะบอกกันอีกต่อไปไมนยอมบอกพ่อไหม่ยอมบอกคือมันเฉยเมินไปมันไม่จดต่อคําพูดของผู้บางใจบอกสิ่งใดนะบอกกับผู้ใดแล้ว ผู้นั้นควรจะบอกกันต่อๆไปไม่ต้องให้ไปซ้ำตางๆทันวันนั้นทันวานี้ท่านสั่งนั้นท่านสั่งนี้เท่านั้นต่างคนก็ต่างรู้ถ้าต่างคนแต่ว่าลูกษาต่างคนต้องจรในทุกสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนซึ่งเป็นของไมสิ้ดีแล้วเป็นควาถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นครูน้อยมาก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ก็เคยเรียนมาแล้วแตพ่ออย่างนี้อยู่ท่านอยามากเนื้อมือที่ ขายทีตลาดแหลมปมพิษแพรเปลี่ยนแปลงหาหงบใบต่างๆร้อยสรรพันนายะยิ่องอว่าท่านจันมั่นีท่านส อ, นองคนนี้ตลาดเพราะท่านจันมั่นทนตลาดจองปงากในปัจจุบันผมยอมเลยเจ้าเข า, าละภาคทุกอย่า ง, าาา ง, างเป็นจองปากในัปัจจุบันถามว่าในทางกระการยางไงท่านต้องไปยืนราคะทางใดทางหนึ่งเนี่ยของคล่องแคล่ว แ, ว แ, วแวจวตา เงนที่จะได้นแต่นั้วมีตัวราคาแน่นอนเอาไเก็เกี่ยวการความต้องการตลาดพิเศษในผู้ปายกับผู้ใดอย่างแล้วความันประโยชน์ให้แก่พระไม้มากจะต้องมีตัวราคาถงนี้ถังจีนทำยอดโดนท่านมาขวอย่างนี้ นอกจาก ญ, ญาติโยมผู้ภาวนาเป็นไปแล้วท่านติดตามนะถ้าคารถนาเป็นไปท่านติดตามจริงท่านม่สตามากถ้าอยู่เมือนวัวเมือวัวเมือนควายกันก็ปล่ อ, อยมันควายมาดิง่งแต่สอนถ้าท่านสอนจริงจรริงจังหนมาเป็นคืนมคคหมายเป็นคุณน้อยวราจารย์ว่ามันถึงใจถึงใจทุกอย่างมันไม่ได้ลืมพอ ว่าป้ามึงไม่เข้าเตือนหมู่เพื่อนทันทีทันทีวันที่ฉันลาวนั้นนองวันที่ฉันลาวนั่น่ะรีบออกมาบอกทันทีอที่ว่าตรงไหนที่ทำอยูตรงไหนนั่นคือที่ผิดนั่นคือสิ่งที่ผิดยกบอกหมู่เพื่อนทันทีทันทีทันทีไม่ท้อทำมาทำตั้งแต่สายและข้างหลัยามที่เป็งดูกำหมู่เพื่อนนี่นี้บอกไม่ได้เลือกให้บอกยกเต็ง บ อ, อบอกของเขาในเรื่องที่เคยบอกว่ า, วาไม่ใช่เป็นของละเอียดเพราะที่จะท่องเหมือนท่องสมมติบอกคนเดียวเข้าใจทําไมคึณต้องการคำสาบนี่สิที่นาคิดมาเพะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเรบปฏิบัติยังไงกับผูอาวุโสแต่เราเป็นผูมิมามุ่งอาจมุ่งทําำจริงทำมาที่คุณพูดมาเนี่เราแน่ใจว่าจริงถ้าเห็นใจพิการจริไม่อยอมรับ ที่บอกให้เทที่ตรงนี้อีกต่อไปเขาบอกเลยเพราะมันสูงพอแล้วเทใหม่นู่นที่ต่ำํำให้ไปเทเราบอกให้เทววเที่ต่ํานเพื่อจะปรับปรงุรงพุทธิธรรมข้อสูงขึง้นไปได้เลยาจากเท ว, นวนันนี้ยัง้อยอันน้อยที่สูงนี่มันยังเป็นเลยตลอดพุ่งการปัดขวาดก็ต้องรักษาลานวัดด้วยมันจะสับตะกวดฟาดหรือหรือหรือความแล้วเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันสับตะทําไม่เป็นจิตวัทยาข้อวัดอะไร ตามหลักธรรมของมือได้การปัดกวาดก็มีสติสตังมีสติมันระวังรักษาตัวอยู่ไม่พ้องเผลอจะไปการกวาดก็ต้องคุณิสพิจารณาอันไหนกวาดที่ไหนที่ควรจะหนักมือที่ไหนควรจะเบามือหน้าแรงหนักผลผิดกันยังไงด้วยหน้าแรงยากแล้วก่อเกิดง่ายสถานที่ที่ควรจะเบามือก็เบา บาดใจจนเป็นขอบด่งขึ้นมาสูงดูไม่ได้งั้นผมจบอกเด็กเขาไปฝุดลงมาเพื่อรักษาหนทางก่อนในเร่องนั้นถ้าเราไม่บอกเดินไปนั้นมันเห็นเว่าอะไรมันถึงเห็นเพราะตากับความรู้มันติด้วยกันนั่นไม่แบบแบบเบอร์เบมองมองนั่นนะไม่ได้คุยนะหูถึงไหนความรู้ถึงนั้นคือมันพร้อมพร้อมพร้ ตาทุ้งไหนความรู้ถึงนั่นเจออะไรป้ามันรู้ทันทีมันเข้าใจทันทีมันสรุปทันทีเพราะเหอะไรเพราะความรู้มันตามกันกับทางตาทางหูมันไม่ใช่แบบจับแต่ว่าดูจับแต่ว่าฟังมันเป็นความจริงของมันมันติดตามรู้ว่ามันมันนเป็นแบบธรรมชาติไม่เหมือนตาป้าวฟังแต่มันเห็นสําคัญมันมีสติอัน หยุดมีติมันกาสัมผัสมันก็รูเเ้ได้เยทําต่ไม่มีสติมอย่างว่าหามไปทึ้นไปท่ามสนหลับเกาะกาะอยูอ่ตลอดเรางปฏิบตัติมันยิ่งครับยิ่งแค่เข้าไปนะทุกวันเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขากำลังลากเข้ากับมาฐานขาท่านฉันมัน่นใครเป็นขาท่านฉันมัน่นอูเดึนจมูกอหูดลงสือ ดังไม่เท่านะจมุกดอกมูดมูจมุกยื่อแข็งโอนองสีเหลาเราไปเป็นลูกศิษย์สายาาาท่นาทนาจาันมั่นเขาก็มาล่าไปเข้าพิทีนั่เขาพิธีนไม่หยุดเลยหรอยั้ได้เรื่องค่าจ้างขอามันเขานี่เนี่ยเอานันความหมายเขานั่นนะ<อ>ไม่ได้คํานึงถึงหลักที่เจนของหลักของทํามของศาสน า, า, า, า, า, าซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันจะเสียไปด้วยเพราะการทําอย่างนี้นะ คนเราถ้าคงกำเนด น, นั้นแล้วจะให้เป็ี่ยนไปต้องรักษาอัตถธรรมให้คงเส้นคงวารักษาข้อปฏิบัติให้แน่หนามันคงไม่เอียงไม่เอียงอันนั้นเป็นเรื่องสมบัติภายนอกนมันมาหลอกให้มันเหยียบย่ำเป็นไรทําได้อย่างทำใหม่มาเหยียบทำทำใหม่เองเงินเป็นหัวหน้าแล้วทําแหลกหมดนะเอาอาวุธเป็นหัวเป็นหน้ า, เ ป, นนาเป็นหัวหน้าแล้วทําต้องแหลกหมด อาวุธเหมนหนั้องหัวใจจะยึดกับอาวุธใจมันก็หนักแน่นทางโน้นสนใจทางโน้นนี่ามทามาก่อเบาลงเบาลงวิเยียบทำนย่นสิถ้าเห็นทำเหนือโลกแล้วไม่มีอะไรมาทำลายได้การคุณปฏิบัติต้องคงเส้นคงวาควรไปไปควรทำทำไม่ควรทำไม่ทำหายจะมานี่มึงกี่ร้อยกีพันเปตามถือเหตุผลเป็นที่สั่ง ความถูกต้องดีงามเป็นอย่างไรถ้าไม่ถูกต้องดีงามแล้วใครก็ตามแน่เรืเ่อนด้วยเพราะเหรอเพราะธรรมสูงอยู่คนใครอย่นั้นนล้วศาสนาก็ไปเลยผู้นั่นจะเป็นผู้รัาศาสนาเลยลมเข้ามาลมไปลมเปลมไปอย่างนั้นไงมันแหลกยันตากานนา่ใครว่าใครตามไม่คุยไม่อวด เล่นด้วยผลไม่พร้อมแล้วจะเป็นปลายทางเสือรันไม่เล่นด้วยดูดิคนดังวันสงการวัดต่างๆดอทราบแล้วว่าวัดพิษณุเทศองค์ใหม่รถวัดไม่ทราบว่ากี่คันหกคันเจ็ดคันทัดพิขาวมีกี่ันวัดเราทำไมางินมาทำไมที่ธรรมาแบบนั้นเอาเตี่ยง เไม่เล่นด้วยเนะี่ยมามาเ้วไม่สนใจกับใครเนะ้าอยู่คนเดียวเราทามาทขาขอให้มีเนว่าใจแต่อคราบจากพวกมุ่งเขามาจากทั้งคนา้เขาปูท่ทวดหลวงวัด่อาจารย์ขาววัดตั้งนต่เด็กเรีนขาวแล้วเขาเก่แตามเรื่องปล่อยตามเรื่อง ว่าทันวันเป็นตัวสําคัญว่าเราไมขูเลยน้ำเงินได้มาไหนโดนมาเป็นนี้หนุหนมาต้นต่อคู่เป็นได้เลยเรื่องมาสูงน้านองมาสูงให้หหเป็นประโยชน์อะไรนะท่านอาบน้งก็ได้อาบน้ำเพื่ออาบน้ันแต่มันเกิดมันจะทําเพื่อประโยชน์อะไรเพความมีวินวายไม่เล่นด้วยทนบ ขอความมั่นไ้กันเมื่อเราอ่นหนังคนนี้คนนั้นไปต้องมาคนนี้ต้องมามเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ความยุ่งทุกเพี้ยงต่างๆได้เรื่องอะไรเราไม่เล่นด้วยอกยามานะระวังถ้ามยม่ถูกหมัดสำคัญนะระวังนียนี่ต้องคำนึงเสม จาตใจันเอ็นไปทางโลกแล้วไม่เรื่องนะทํำนะมัพาการจำให้ดีนะถ้าจิตใจันเอ็นไปทางโลกเอเ็นไปเรื่องอันนี้ยังไงก็ต้องทําลายเพราะว่าปฏิบัติไปวันละเล็กลน้อยแล้วหมดไปหมดไปคุ้มได้ทีเดียวใจหาความตือนไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติไม่คงเส้นคงวาเพราะใจหาความคงเส้นควาไม่ได้ใจเสียเอียงไปแล้วเพราะฉะนั้นหลักใจคือ่หนียบมั่นคมันมีอันใดที่จะพิเศษยิ่งกว่าธรรมเพียงเท่านี้พอแล้ว พระพุทธ ว, ว, ว, วิเศษด้วยธรรมชาววัสติหานิวิเศษด้วยธรรมไม่ใช่วิเศษด้วย <c oughs> อัมโลกาไม่ทั้งหลายถ้าว่าจะาวิเศษด้วยนั้นแล้วคนทั้งโลกเขามีกันนั้นทํำไมไ ม, ม่วิเศษกันเพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องต้านทางนมนได้อย่างสมิธเป็นห น, นึ่งหายท้งวนได้แล้วีิตเราถ้าเราจะนํามาสอนเราอัมมตรที่อาศัยกินทุกวันนี้มันจะตายอยู่แล้วล้นป่าเหลือคอจะกินอะไรนังหนา เรามันเป็นหรือเปล่ามันเป็นมาเองพิถีพิถันน้ำใจงเขามาด้วยอธิยศใจคอแล้วก็ฟื้นแบบนั้นเนี่ยความจริงมันไม่ได้สุขสบายนะคนเมาหง่านี่ใส่เราเองอาจะเจ็ดสนปั้นาเป็นรูเป็นอาารย์มไม่ได้เห็นไปเป็นไปด้วยนะนี่ความลำพางยุ่งจากนั่นันีพระแล้วกันนะจนหน้าสงสารพระนั่นจันี้กืบ่วโมงก็ไม่เสร็จไม่สิ้นไป ใครมีใครนางครูบามีไร้ฉันนั่นก็มาถามมีไม่มีใครมันก็นยังมีอาหารเป็นพื้นนี้เต็มอยู่เขาจัดมาตังเชา้ามันก็เหลือเปล่ววาหลือครอยเหมือนกันมีเราได้เคยทํามาแล้วหมู่เพื่อนในคอยเห็นความลําบากลําบนของคูบาอาจารย์ท่านหลายที่ท่านเคยมาในเมืมาตะกอดที่ท่านสั่งมา่านต้อเคยเล่าให้ฟังเรือหมูดเพื่อนคูบาอาจารย์ที่เราอยู่กับท่านเล่าให้ฟังเสมอวันนี้เป็ว่าคนมากได้จะเข้าเปล่าไปอยู่ที่นี่ แตอย่างที่ไปพูดลงพูดถึงลงไปอยู่ก็คงคงมาเจอเลยอย่างนั้นนั่นนี่นัมิต น, น, นีแจกให้ตัวถึงกันหมดเพราะท่านมุ่งธรรมอันนี้พ อ, อยังนี้ไม่เป็นไปปฏิปทางท่านอดยากนะปฏิปทางพูดจะสมบูรณ์ทางธรรมสมบัติโลกามิตรต้องหาเคินบกทรัพย ต้องอต้องอยากเป็นธรรมนาแต่เมื่อใจไม่เป็นอารมณ์แล้วไม่เห็นมีอะไรเพราะใจนุ่งต่อตาธรรมท่านเจริญด้วยความอุญญาตัดแทนความฉเฉลิเฉลียงใจเจริญธรรมด้วยธรรมเพราะความอุญญาตัดแทนไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์พึงผลอย่างที่เป็นควรมันมันเหลือเกินมันไหนเะ ต, ต, ตนมน้มันปุ่นคนมหาการไม่ผูกเป็นไม่ได้เนี่ย ว่าในสิ่งที่ควรจะรวมไปไม่เลยกไม่น้อยพอพูดแล้วก็ไปแล้วังไปเหนื่อยแล้วนะไรแต่เห็นว่าใจเป็นของคุลค่าเป็นเนื้เบือนธรมเป็นทํามมายกคนแบบอื่นเราก็เร่งหาโอกาสหเราเร่งมีเวลาตักเตือนเขามั่งกับแเราก็ตักเตือนเป็นข้ออัดข้อทํนะเปเป็นข้อคิด อย่ามาลุกควนไม่ได้ไอ้ผาเันเงิกันทีไรไล่างไปเลย่สนใจลูกใครอยู่คนเดียวเราพอสบายสบายอย่างสบายเพราะหมู่พเพื่อนเพราะยากพอาะโยมสบายในความเป็นเอกราชโควะความเป็นผู้ผู้เดียวไสบา ความปฏิบัติอันเนี่ยเคยปฏิบัติมาบ้างพอเป็นเชื้ออันเนี่ยมาเล่าให้คนท่วไฟังให้เราปฏิบัติเลยหาอยู่ตามบ้านเขาไม่ต่างกันเขาบ้านใหญ่ไปอยู่ไม่ได้เขามาลุกเขางานับถือมากแเขาเอาอาหาเรื่อยมาดูเรื่อยไม่สะดวกเราไม่อยู่มันต้องหาอยู่บ้านนี่สิบั้งหาัเลือนสามเื่อนที่สี่เจ้าห้าหลังห้หลังังเรือน อยู่นั่นแต่บาอดบ้างอิ่บ้างเราไม่สนสนใจเพราะว่าเราเคยอดเคยอิ่มาพอแล้วอดจะจนกี่วันเราเคยอดแล้วเนี่ยอันนี้ฉันทุกวันไม่แม้มาอิ่มมันก็ไม่ตายนีอันนี้เวลาฉันน้อยเป็นยังไงผลของการภาวนาเป็นยังไงมันเด่นตรงนี้เด่นเวลาฉันมากมากเหมือนหมู พ่อวจะง่วงเนาะห้องนอนท้องนาเดินมังเหมือนเศษกรรมฐานเคลื่อนถี่มี่งเันมันําค่อตัจะหลับน่ะคิดอาหารมันข้าวมันจะข้าวเปล่าๆกินไปไมนะกินได้มากแค่ไหนข้าวเป่าอืมแล้วงังเหมือนล้างบาตรเสร็จแล้วาบานรรังแทีนี้เอาทีนี้ข้าวันกมกชั่วโมงก็เอาน่ะพีน่ะเรื่องใหญู่่ตรงนั้น ฉันคนเดียวมันจะนานเท่าไหร่พอมาถึงป้ามกับฉันบูนั่งบาดเสร็จเร่องางเอาบาดวา ง, าวางามันไม่เข้าขกระโหลเลยเลยวางแล้วเข้าไปทางกรมเดินดจนเมือเ่อยนานะพักพักนิดหนึง่งทำไม่ยุบกินนั่งภาวนาชัออ่ออวโมงหนึ่งออกออกเอาโรกรายกองเดินจนก็ะทั่ทง้ึงปัดกวดที่มันมีอะไรมาติดมาต่อมายุบมาเยอะล อยูคนเดียวงั้นไม่มีใครมาควรเนี่ยความเพียรนสืบต่อกันโดยลำหนักหล่ะปัดกวาดเสร็จแล้วลงอีกด้ไม่ถ้าเดินงายตอนกลางคืนก็เดินเพราะมันมีน้ำาลถ้าเดินมืดมันก็เดินลำบากเนื่องจากเราเอาเทียนไขไปมากไม่ได้เพราะมันหนักเอาไปสองสามสี่หองจะได้จะได้กี่วัน สามสีห่ห่อไม่ใช่ด้วล้วมันเป็นทํามากกว่านั้นมันหนักอเขียไขายตหายากด้วยเนี่เพราะอางนั้นหนมันมีผลบางเข้าวอยู่ทั้งกลางวันเราทุกต้องเดินมากเปคืนเรานั่งเร า, เรานั่งม า, มา ก, ากนั่งกินธรรมดาธรรมดาเป็นนั่งธรรมดาธรรมดาึ้นไม่น้อนกว่าสามชั่วโมงมีเป็นถือเป็นธรรมดาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งตอ่ตอลางทลางวันชั่วโมง เราตั้งคันมันหยุดแคะนั้นนะคือเราจะเอาเยาบุตรเดินขนมาเพราะเรคืนเรานั่งมากาเดินหงายเราเดินชงผมได้สบายยิงหน้าไปไม้มันร่วงไปแล้วแบบเราไปทำนคงชมรที่ลงโลกหน่อยเราเลี้โรมูขานน้ำก็เห็นมันมีใครว่ามีตั้ง4ี่ห้าชั่วโมงกัร ม, มาวัดตีทป็นสี่ทุ่มห้าทุ่ม เงินไปกานึ่่าเสร็จแล้วแบบในเรือนภูมิเลยนะสื่อถุมห้ากุ่มเรื่องจะมามาล้านจะาพุทธิอนะ้รมาล้านมาสหรัตเป็นอมุ้งก็อย่างว่านละ้า น, นเล็กๆอยู่สบายหุ่นแค่ศอกความเทยมันสืบต่อเงินกิน <c oughs> มันแนวแน่นนี่นความคนยากเป็นยะังไงอาหาร ไม่สนใจไอล้ลิ้นเน่ยมันเก่งอ่ะถ้ามันแทะแทะแทงทำอะมันเก่งเนแซแซแซแซงีนเ่ยทันทีอันนี้น่ะแต่ไม่ให้ลิน้นมันแท่งทำด้วยอืมไม่ให้ลิน้นมันเหนือทำเรามุ่งต่อทำมันต้องทางทำต้องมีน้ำหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นจิตมันถึง ม, มุ่งไปแต่ทำไม่มุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องลดลำชาติอะมาหาอะไรมากเวลาพอน้ำก็สะดกสบายนั่งแนวเลยด้วยความสงบ ออกทางการพิจาานี่มันค่องแค่ว่างันเหมือนน้าซับน้ํำซึมเวลาถ้าละเยียดมากๆนะการพิจารณาเนี่ค่องแค่วมันเหมือนน้าซับน้ําซึมยิ่งกอนนั้นเป็นสติปัญญาตระัตินี่ด้วยแล้วโอ้โหอวสหานั้นมันยิ่งพร้อมเลยเดีมันเสริมไปมันเหมือนจะจะเหาะกันดิ่งปัญญาที่ออกเป็นควาเดินคยมันลืมไม่ล้ำเวลา เดินยู่กมตังทงานเสร็จแล้วจมทาทั้งปัดกวาดฟังดูนู่นอ่ะงานเสร็จด้วาแล้วจนมทาทังปัดกวาดตอนบ่ายสามโมรือองผื่นก็เอาอย่างนั้นนู่นกังอยู่กลางเขาเรียกทอนนี้เขาเรียกว่าเหล่าสวนราา่ า, รางไรเขาดังไม่มีต้นไม้เลยมันทางกรม กุงแมวยาวๆเยเป็นขนาดนี้ไยถึงเงเกือบน้ำบอลกรุงแนวเอานิ่ยมดีฟรั่งเลยท้าพกที่สะแล้วผมมาติดค้างแล้วเอามือเงยแยกไม่สนใจมันไม่ได้ร้อนเลยคิดมันไม่ออกหมุนเวเกียวเกียวต่ภายในมีม้ทุกขันจะติดปัญญาตมัสนใจเข่หมาปูน้ำท่าไม่สนใจเลยเวลามันเหมือนกัแบบนั้นเหมือนกระดุมบอล มันเทินนะความเขียนผอตอนที่เด็ดแจ่มจิตเดไปมากน้อยมันเห็น ช, hm. ชัดชัในจิตมันเหลืออยู่มากน้อยมันรู้มันรู้มันยังผืดปล่อยกับอะไรมันก็รู้มันก็ขยับเข้าพิจารณาไปนิราศแต่ก็รู้เงื่อนนี้อันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไปพ่อหมดไปหมดไปหมดไปมันไม่มีอะไรต่อแล้วขันห้ามก็สศัพท่ว่าขันด้วยซิมันไม่ต่อนะเรื่อขันห้ามมันโยงระยายภายในจิตถึงเนื่อถูกเสียงกินรถข้างนอกมันก็ พร้อมกันมาตอนที่มันแก้ยังไม่ได้ที่นารูปภายนอกที่นารูปภายในเอาอันใดอันหนึ่งก็ตามไม่จําเป็นต้องวิจะรณนาเสียงแล้วกลิ่นแล้วรดอะไรเอาอันหนึ่งแล้วมันกระจายกันไปเองออืมันรู้หนึ่งมันรู้อยู่มีมากจะพิจาเรื่องรูปอมากรูปนอกรูปในมาเทียบเทียมกันมันเข้าใจไว้ต่อนั้นมันจะเข้ารูปในได้มันเข้ารูปในเป็นสุภาพบุรุษได้อย่างเอ็นที่แล้ว มันก็ปล่อยรู้ทานนะมันไม่ปล่อยคำว่าสุภาพก็เลอสุภะก็เลยนันก็เป็นทางีดินทางเดินเมื่อเดินผ่านกันหน้ามันก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปถึงวัดมัชฌิมาเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของจิตเลยเมื่อมันพลอยแล้วมันปล่อยในเงื่อนที่สอสุภาพอัศวะมันก็ปล่อย มาทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันลองเข้าใจมันรู้เท่าไหร่มันก็ขาดอะไรที่ขาดหมดพออันนี้ขาดเนี่ยมันมันก็เป็นปัญญาธรรมิส่วนละเอียดจริงปัญญาธนรมิขั้นนี้มันรุนแรงมันผาดโผนที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปผาดโผนมาก ม um ain, cooper, fare, verdi, then, ือนกำน้ำโจนมาจากไหลโจนมาจากือเขานรือเวาเข้าพวกนํามาทำเวลาทงานทางกายทางใจจนกระทั่งเข้าไปถึงจิตนั水 abel, 水 abel, 水 abel. ้นน <t un> <t un> ี่ละเอียดเหมือนน้ำซับน้าถึงไหลนันทั้งแรงทั้งฝวกแต่เลือกไม่ได้ถ้าแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเมืองเวลาจะนอนตะหลังเล่าเผลอเผลอไปตรงไหนเลือกไม่ได้ฟังสูนี่ นันความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงมันระลึกไม่ได้แบบมันได้เผลอตรงไหนมันไม่เคยเผลอเลยน่ามีึง่อว่าปัญญาเป็นมมตะสติกับปัญญามันอยู่ด้วยกั น, นแนบเป็นมือนเป็นนั้นเรามันก็ทําทีที่เหล็กประเภทไหนจะทนสับจิตปัญญานี้ได้มีกำลังเป็นที่ที่ปัญญากก ม, มกืนเป็นเดียวกันไปจ่อแล้วอะไรมันขาดไปเลขาดเี่ย นี่สายของผมนี่สายผ่าผลผ ล, ผลจริงๆถ้าเรนลงได้เหตุผลเราแน่จุดตรงไหนแล้วังไงมันก็ต้องขาดสะบ้านไปเลยแล้วมันถอยไม่ถอยถ้ายังไม่แน่มันรอซะก่อนอะไรก็ดีไม่ว่าสินค้านอกหว่าภายในถ้าอันนั้นยังไม่แน่มันต้องก็ลรอรอหาเหตุผมจนมันคล้องแล้วมันถึงจะลงมือทําดถ้าเรามือทํารับเอารับถือ การแก้นั้นกนรารเหตุทั้งเลยฝนไม่พร้อมมันก็ไม่ตกพิเลศไม่หลุดไปเพราะผลทางด้านปติปัญญามันพร้อมแล้วอยู่ไม่ได้ี่เรกประเภทขวางใจนั้นนั้นจะขาดพักทันทีเข้าใจอืออกถึงนั้นคุ้ยเขี่ย่ริงงานพยายามแก้พยายามเครียดเครียดหาอย่างผลเพื่อแก้พิเรศประเภทนี้นั่นคือไปเจองานแล้วพอแก้นี่ขาดาไปเข้าใจแล้วคือพอเข้าใจแล้วมันก็คุ้ยเขียเนี่ย มันไม่ว่างคุยเคียหามันสาตรงไหนมันมีกิจตรงไหนเอามันนี่ก็เป็นงานห น, นึ่งงานคุยเคี่ยวพอเจอแล้วก็เอากันไ่อยู่ตะลุมบอกันน่ก็เป็นงานงานนั้นหนักหนักกว่างานคุยเคียหัหมดไม่มีอะไรที่จะคุยเคียวมีอะไรที่จะขุดต ะ, ะค้คนแล้วมันดยบเองสติปัญญาเพราะติปัญญาก็เป็นสมมติ ทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นสมมุติทั้งนั้นมันเห็นจริงนะจะไปคาดนะสมมติว่าทุก็เป็นกิริยาที่เกิดที่ดับอป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดจริงๆภ า, า, ากาและจิตทุกทุกก็ดีหนึ่งแล้วจะว่าแต่ทุกเหมืนนั้นนะสุกขก็ดีมากมันพิจารณาแล้วมันมันเสมอไปงั่นนะอนะแต่สุขเป็นสิ่งที่แผดโลกต้องการไม่ไม่จิด แต่เวาเข้าถึงขั้นที่จะควรคิดออกมาพิมพ์ปีาเกียรติอย่างนัสุขเวทนานี่มันก็เป็นนามธรรมหนึ่งเหมือนกันในหลักปฏิบัติมันมันทั่วถึงนไม่เพียงแต่ทุกข์แต่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจเราทรมานร่างกายเรารับความทุกข์การบำบัดติด ต, ต้องจ่อมากส่วนสุขนี่มัมจะหลงเช่นอย่งติดสมาธินั่งก็ติดสุขก็ติดเวทนาหนึ่งสุขเวทนา ติดสมาธิเพราะทำงาเข้าถึงสมาที่ผิดจังหมันสมานมันก็ติดอย่างเดียวเวลาเราแยกขมันเป็นความเส็บหอยภาคสมก็ว่าปัญญาเป็นผู้ตลาดแล้วชุกกับทุกข์มันเป็นอาการอหนึ่งเป็นสมมติในการทำนั่นอ่ะสมุทัยก็นันก็เป็นสมมติสิ่งที่ฝังกับฝังอย่ภายในจิตอาการที่มันแสดงออกมาทางตาทางหูทางจึงทางริมทางกายรุงคาดหมายออกมาทางทางขาบทาง สัญญาสัขงขามันเกิดเป็นอาการจมูกไทยการพิจารณาจมูกไทยจะถอนจมูกไทยไม่เอามากมาถอนจะอะไรมาถอนถ้าจะทําเกี่ยวโยง่างนี้โดยหลักธรรมชาติการปฏิบัติต้องเกี่ยวโยงกันเราจะไปกําหนดูุทุกแล้วจริงๆมาละจมูกไทยที่งจะไปทํานิโรธให้แก่ที่จะไปจะเจริญมากมันอะไรอืม มันแจ้งโดยอะไรนี้โทษทำไมแจ้งมันแจ้งโดยอะไรถ้าไม่แจ้งโดยมาร์คเอาอะไรมาแจ้งอืมละสมุไทยไม่ละด้วยมารคเอาอะไรมาละนั่นตรงนั้นนี่ตรงน้ำตาลเมืมม่อพอรู้ทุกข์นันะอืรู้ทุกข์มันจะค้นหาสาเหตุทุกข์นี้มันเกิดมาจากไหนเกิด ม, มาจากทางร่างกายถ้าเห็นมันคือยังไงร่างกายนั่งนานอ๋ อ, อนี้่สาเหตุมันคือเพราะร่างกายวิการเกิดไข้ไปป่วยเนี่ย มันก็รู้ใทยอย่างนั้นแล้วที่จะมันจะเสริมกันไทยทุกมากครับเพราะอะไรสาเหตุมาจากไหนมาจากขีดขีดเป็น้พราะารอยากให้มนหาแต่ท่านเป็นอย่างนั้นนี่นีความดยากนี่คือทันหาอะไรทําไม่มีอิ่มพอความหือความโอยมีสมูทยอันนี้มันเกิดมาจากไหนมันย้อนไปย้อนกันมากิริยาที่ย้อนไปแล้วมาค้นหายอย่างนกโหยนี่คือมากแล้วนั่นอจะว่าไรเพราะเข้าใจแล้วมันกระดับ ทุกอย่างนี่ก็หลับไปหลับไปนี่เป็นมิโลดีิโลดหนึ่งถามว่าจะเป็นการทํางานนีิโรดมันทํางานอะไรมากคุณพูดทํางานเหมือนกับความอิ่มปรากฏขึ้นมาจากการรับทานรัทานมากรับทานน้อยมันก็หยุดไปเป็นลําดับลำดับนีิโลดคือระดับทุกคือความหิวโหยไปดูลำดับๆมันก็ดับแบบนั้นแหะเดียวั้นรับทานไม่ใช่ีิโลดจะตั้งหน้ามาทําหน้าที่ตนเองโดยลาพัง รูมกมรคนี้เองเป็นผู้ทําหน้าที่กระแท้ทุกกอก็ไม่ทําหน้าที่เป็นทุกทางใจสมุทัยเป็นผู้ทำพูดออกมาเป็นทุกอันนี้จึงเป็นสมมติทางนั้นชาจะทําทั้งสี่เป็นทางเดินเป็นเครื่องมือผ้าฟันที่เลียเป็นเครื่องระงับดับที่เรียงคือสมุทยัย ดับเรื่มามันเกี่ยวโยงกันหนึ่งแยกกันไม่ออกจะทําทั้นสีนี้แยกไม่ออกจอนึงมันก็ไปทั่วถึงทั้งหมดนี้พอพร้อมแล้วมัดพร้อมแล้วกิเลสหลุดลาว่าจากใจหมดแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์อย่างสนิดมันก็เป็นขึ้นมาเองกไม่มีกิเลสจะทํำอะไรให้ทุกข์นี่ยไม่มีกิเลสเป็นผู้ก่อควาให้ทุกข์เป็นผู้ยุย่ถ้าเกิดความกข์ขึ้นมาอะไรนจะทุกข์มก็ดับไปี่เพราะกิเลสตาย อ่าห้ียง่ายถ้าเราจะพูด hmm. ว <assy onun S 2> mm ่าตายกเลตาไปแล้วใครจะมากาทุกข์ให้กิเลสตาทุกกระดับไปด้วยนี่ทุกข์จึงเป็นตัวผลเกิดมาจากกิลนั่นหละนี่โรจนี่เมื่อทุกดับไปแล้วกิเลสดับไปแล้วใครมันผู้รู้กิเลสดับนับไปแล้วใครนผู้รู้กิเลสดับไปแล้วนั่นนั่นแหจะจัะทรรมนั่นทุกข์ขงไทยรุนมเป็นจัจธรรมผู้ที่รู้ว่อมรรคธรรมะี่โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่า ทุกดับไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่มั่ใช่้นสจะทาํานี่คือผู้บริสุทธิ์แลยเมื่อเต็มที่แล้วรู้ได้เต็มที่แล้วก็ บ, บริสุทธิ์นั่นแนะ่ะพอถึงขั้นนั้นแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกีียวที่เรียกว่าอาตมมาตธรรมมา ท, ที่หมุนค้นหาเหตุหาผลหาทิปกดทิปเปลือกนี่ละงับไปเองไม่ละงับเขาจะไปฟันอะไรจะไปคน้น คุยเคหาอะไรหากิเลสตัวไหนก็กิเลสหมดไปก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสหมดไปไม่มีกิเลสหุดจ้าค้นแล้วประสาททุติยทุติโกเต็มหัวใจอย่แล้วก็จะไปค้นหาอะไรทุติยปัญญาก็เป็นธงมุตอันหนึ่งก็ก็ระงับไปโดยเหตุผลน้อตนคำว่าโดยเหตุผลน้อตนก็คือแบบก็พระสิ่งที่จะแก่สิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้สิงที่จะให้ต่อไปแบบมันหมดไปแล้วจะมาต่อถึงอะไรฟันอะไร ถ้าผมมีผมจะฟันอะไรนี่มันระงับไปด้วยกันหลังจากนั้นแล้วจะว่ามีสติกอตามไม่ว่าจะว่าที่มีสติจะว่าไม่มีสติมันไม่ถูกเพราะเป็นอาการสมมุติทั้งนั้นจะพูดได้แต่ว่าบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นอันนี้แน่กว่าอย่กันว่าพระอรหันต์นั้นสติดีพุญละพระอรหันต์มีสติอันไพบรูนี้จะพูดได้ในเวลาที่พระอรหันต์นั้นถูกอธิกรณ <c oughs> เช่นมีใครมาฟ้องร้องว่าท่านทำผิดนั้นอะไรนี่จะมุ่งว่าทำผิดอย่างหนักบางอะไรบ้า ง, างจึงพระอะไรท้าทัพธรามระมบุอะไรก็ฟ้องก็ทบามับุว่าอะไรกับมาุกคนดุขขังเพราะท้าทพรมระบุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นเป็นผู้สติที่ปุรุละมีสติเปบุญแล้วนั่นะองค์ทรับรอง ท, ท่านอย่ามายุ่งเรื่องสมมติเาพูดไปษามเรา อันนี้เป็นจิตดิมดุอันนั้นเป็นสมมติมายุ่งยัมไงไม่ใช่วิสัยของสมมุติหนิในจิตตรงนี้นะอันก็ยกขึ้นมาละกกเป็นสติปุละแล้วคืวอว่าสติ อ, อิมภะบูนก็มาวาง่นพูดง่ายๆคือว่าจิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วในขั้นดิมุตเขาเกี่ยวกับเรื่องโลกสมมุติใดๆทั้งสิ้นอันนั้นมันเป็นสมมุติหน่เรื่องฟ้องเรื่องร้องเรื่องเรื่องชั่วอะไรเรื่องของสมมุติเที่มัมีขึ้นสุดจินมูลเริ่มวาง ท่านมีว่าท่านยกนมาพูดเพื่อเพื่อรับกันกับสมมุติกี่เขาฟ้องล้อนั้นรับกันด้วยสติญี่ปุ่นละหรือผู้มีสติปัญญามี้แต่ปกติแล้วจะว่ามีสติหรือไม่มีสติท่านไม่นิยมถ้าไม่เสด็จไม่สานขึ้นมาจริงตามความจริงอยู่ตามความจริ ง, รง <ừ. S 1> เท่านั้นเองอว่าท่านนิเสศ็ที่สูงกว่าใครท่านก็ไม่เคยสําคัญตน วิจารณด้าวขอก็ไม่สําคัญตนดีโก้ใครก็ไม่สําคัญตนต้ตนเป็นใหญเป็นโตตนเนี้มากมัศนาท่านไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมุทห์ทั้งหมดจะอยู่ตามหลักธรรมชาติธรรมชาตินั้นมันนอกเหนือจากความเสร็ศสนานตันเราได้เหยียบย้ำทำลายไม่มีเลยเหลือ น, น, นั่นการปฏิบัติทางเลง่นก็คือเวลานี้มันแคบพนาวงกรรมาฐาน ไปอยู่ไหนมันก็ร้อนพระค้อวัดปฏิบัติมันไเหมือนกันใครก็เอาทิพย์เขียนว่าทิพเขียนนั่นมันพิธีโลกาฏมิตรันเห็นแต่โลกไม่ได้เห็นแต่ธรรมมันก็ต้องเยหยียบย่ำต้องย่ำทำลายธรรมไปเห็นมองลูขวางตาผู้มุ่งธรรมขวางตาที่ไหนจนอะไรจนไม่เถอะมิตร บ, บาดข้าวเนี่มันมากินหนีมันไม่ตายเนี่ย ธรรมสมบัติเป็นของเลิศเราต้องการหาธรรมชาติที่เลิศอยูไม่ได้เลิศอาหารการกินโูกู๊กาแฟน่งโตหวานอะไรเราเป็เลิศด้วยการถอดถอนปีตออกให้เป็นธรรมล้วนๆทงต้องการความเลิศมนี้มีทำแท้ตั้งออวตั้งใจใมีความเด็ดเดี่ยวจริงจังต่อ้าของมั่งยันดอนแหลกโยบคุมทอนเหมือนหลักกทีปลายไม่ได้ มีตางโฮมเหงมันกันเวลามีแจกมากถามเขา ม, มีมาญาติมีคนหลายชั้นที่เขาเขามาแล้วเขาหัวเราะนะเราก็ได้พูดไว้ตมามำนั้เสมอพระนี่เราเคยเรื่องเองลลวลาเลยนะเราบอกเคยรู้เรื่องเวลาถ้าจะพะผู้มีอยู่พรรษามาเกี่ยวข้องมันก็มันจะฐานนะคนที่มันพืินความป้าควาเพลินอยู่ตามเรืองสพระบูญน้อยมาเพื่อการฝึกกับมันก็อย่างว่า ลำบากบางทีไล่เขาจะเลยเปิดเปิงกลับไปตรงนี้อะไรนันคือความไม่รอบคอความไมู่เรื่องเร่องราวน่นสามโมงันจะออกสามโมงนี้ออกไล่เขาไปถ้าไม่เห็นมีผลที่เป็นที่เหมาะสมัจจุบันไอ้ทําไปด้วยความโง่แล้วแล้วออกตรงนี้นะเรามานีนะเปกติแล้วเขมอยุ่งกับใครอยู่แล้ว การถ่ายทอดสอนปพื่อความเจริเรามามุ่งจุดนี้นี่ตั้งใจปฏิบัติดูด้วยกันไม่เป็นของอิรังถาวรนะเคยพูดเสมอเวลาอยู่กับกูบายต่างภาระภุรังในหน้าที่ท่านเล่าเองเดี๋ยวเขาผู้คนถ้าจริงเรามีแต่ความปฏิบัติตามเมื่อว่าแล้ว